เพลหรือสัตว์เบลาสารไปอย่างนั้นการเห็นอย่างนั้นเห็นด้วยผมเพอฝันไปนึกคิดแลก็เห็นไปอันนั้นบทถูกต้องตามแนวคําสอนของพระริเจ้าเพราะว่ามืนตาขึ้นแล้วบ่ชเห็นอันนั้นเรียกว่าเป็นกิเลส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 มันต้องเห็นตัวเหา่าเห็นรูปเห็นน้ำรู้จักรูปรู้จักน้ำอันนี้เห็นตัวเห่าจริงๆมื่นตาเบ่งเห็นแผลในขณะที่กำลังทำพูดคิดการงานต่างๆนั่นเรากำลังทำอยู่อันนั้นเรียกว่าเหตุทรร คำว่าทำทำคำนี้เราเคยพูดเคยว่ากันอยู่ทำดีทำซัวเราต้องเห็นในขณะที่เราทำดีทำซัวนั้นหรือบททำดีทำซัวเราก็ต้องเห็นอันนี้เห็นธรรมด้วยสติปัญญาต้องเห็นบนอย่างนี้เห็นแล้วก็ต้องแน่นอนที่ตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไปได้อันนี้เห็นธรรมแท้ แต่นั้นจึงว่ามันตรงกันข้ามอันนึงเห็นด้วยความเพอ้อฝันอันนึงเห็นด้วยสติปัญญาตามเท่าที่ผมได้ทํามาอันนี้แต่ก็นั้นเข้าใจว่ามันเป็นงสันติแทบัดเมื่อมาเข้าใจธรรมะตามแนวคําสอนของพระเจ้าจริงๆนะบัวเม่ต้องเห็นตัวเหล่านี้เองอันเห็นซึ่งนั้นมันเป็นกิเลส แล้วครูบาอาจารย์สั้งปวงเห็นธรรมได้ยานบอกอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องของคนที่บกเข้าใจมันแม่นควมคิดเอาซื่อๆเหมันบนแมงของจริงถ้าของจริงแล้วต้องเห็นตัวเราแท้ๆ <c oughs> เราจินนั้งก็เห็นจีนอนก็เห็นเดินก็เห็นไปไสมาไสเห็นเราอยู่นี่แหละนี่เรียกว่าเราเห็นแทๆ้ๆนี่เห็นธรรม ถ้าเห็นส่วนรูปนามรูปกายภายนอกนี่เรยว่าเห็นธรรมสั้นเปลือกมัเห็นเรามีสติกําลังทําพูดคิดนั่นเห็นส่วนลึกเข้าไปเห็นส่วนกําลังมันนึกมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนั่นเห็นแต่ส่วนลึกเข้าไป เมื่อเราเห็นทำอย่างนี้เลยกำลังทำพูดคิดถ้ามันเป็นความซัวเราก็ต้องเอาชนะบุญเห็ุบุญธรไปสามความคิดที่ส่วซัวคมคิดไฟต่ำนะบุเหตุคมคิดไฟต่ำนั้นพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นกิเลสกานว่าเป็นกิเลสนั้นมันเป็นทุกข์คุณว่ามันเป็นโทสะโมหะโลภ เมื่อนเป็นโทสะโมหะโลภะแล้วมันนําทุกข์มาให้คนเหากวอนสิโกดผู้อื่นด้วยทิ่ทาผิดนั้นเหาบุดได้เห็นตัวเห่าในบุดได้เห็นจิตเห็นใจของเหากําลังนึกกําลังคิดนั้นเมื่อเหาเห็นตัวเห่าอยู่กําลังสิโกดเหาก็รู้จักว่าตัวของสิโกดเหากบฏท้องโกดเมื่อเหาเห็นจิตใจเหากําลังนึกกําลังคิดอยู่ มันก็ะยุบอันนี้เพื่อนว่าเห็นแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจเห็นทำได้แท้จริงเห็นทำแบบนี้ต้องเห็นตามแบบพระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าศึกษาและปฏิบัติธรรมธรรมะนั้นมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วเขาว่ามีก่อนพระพุทธเจ้าแล้วมันก็คล้ายๆเกิอันคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องมี ลูกมีนามหรือมีกายหรือมีจิตมีใจแต่นั้คนเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีจิตมีใจอันจิตอันใจข้อนี้แหละมันมีมากรแล้วแต่ว่าเราบกเคยได้เบิ้งตัวหอบแจากเถื่อไปเบื้องพุ่นการทาดีทําชั่วของคนอื่นเป็นอะัรไปคอยตําหนี่หรือจับผิดคนอื่นอยู่เป็นอะัร ฉนันคนจึงอ่ะโบข่อยได้เห็นตัวเองบางคนอายุหลุดจากท้องแม่มาเข้าปีสิบปีร้อยปีก็มนียังตายมุกเคยได้เบิ้งลูกเบิ้องนามโบเคยได้เบื้องจิตเบื้องใจตัวเองยากเกลือตายพิมพ์ไปบบมีประโยชน์ไหมยังการมาเกิดเป็นคนหรือว่าขาดทุนในการมาเกิดเป็นคน บางคนกระทนได้เบิ้งขึ้นหนึงสองครื้งเท่านั้นตายไปกับนี้ดังนั้นเขามาประสมกันหรือมาฝุดฝนอบกมกันเขาต้องพยายามเบื้องจิตเบื้องใจเขาถ้าหากเขาได้เห็นจิตใจเขากำลังนึกกำลังคิดอยู่นี่อันนี้แหละคุนว่าความเห็นอันจิตใจเล็กๆในน้อยเนี่ย มันสามารถที่จะทำความสว่างให้ภายในจิตใจเขาแต่ความจิตใจเขามันมืดบอดอยู่เมื่อเขามาทำความคิดความเห็นความเข้าใจอันน้อยๆอันนี้เหละมันสามารถที่จะไล่ความมืดไปได้ <c oughs> หรือว่ามันสามารถที่จะไล่ความลงผิดไปได้ ความมืดนั้นโบแมนมืดคื อ, อยังเหา่ายางเดินทางบบมีไฟในโบแมนอย่างนั้นความมืดอันนี้หมายถึงระบบเห็นจิตโมเห็นใจของความจริงแล้วจิตใจของเห่าหรือของคนทุกคนจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาก็า่าหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายก็า่า จิตใจของคนทุกคนนั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วพระอาตกาแปลว่าใจิตใจของมันบดสุกปกมันบรไดุสกปกคำว่าสว่างนั่นก็หมายถึงการเห็นแจ้งเห็นอันไหนก็เห็นสีริใจิตใจของเขานี่แหละเห็นแจ้งอยู่สิคำว่าสงบนั่นก็หมายถึงว่าพอแล้วหยุดแล้ววบไปศึกษาเล่าเรียนอันไหนอีกตืมแล้ว เพราะมันมีเท่านี้ทำให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนบุญดีทุกข์นั้นเราต้องเห็นอยู่ทีนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่สอนเอาไว้อันท่าในขณะที่เขาบ่เห็นจิตเหตใจเขานั้นขายท า, ายคือเมหรือฟ้าเาวาเมันบังแสงตะเวไรแสงทาตุทิศไ้ ความสว่างของตะเวนนั้นมันเลยบดซองมาให้ออกเท็นคืนโลกนี้ได้ไม่เป็นเังะฉะนั้นพระพุตรเจ้าจึงวาตรงกันข้ามในขณะใดที่เราโเหินจิตโเหินใจบเหินชีวิตของเขานั้นเพินเอื่นว่าคนผู้มีสติหรือว่าคนมีกิเลสหลายกันว่าได้ในขณะนั้นหละกิเลสมันเข้ามาครอบงำอยู่ภายในจิตใจของเขา แต่ส่วนจิตใจของเขานั้นมันบ่ได้เป็นอย่างแล้วเขาก็เพ้อฝันทาไปตามกิเลสอันนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน่าให้เขามีสติให้รู้จักให้เห็นแจ้งในตัวเขาเห็นธรรมะต้องเห็นตัวเขานี่พระพุทธเจ้าคนเห็นยังซีเมื่อให้นยังซีแล้วก็ไล่ข่มโอดข่มโลกข่มหลงออกได้ ความจริงคมโกดคมโรคคมหลงนั้นกระบาได้มีอยู่ที่เขามันวูบเข้ามาขาวเดี่ยวคล า, ายคลคือน้ําแข็งกระบาดได้น้ําแข็งนี่เขาทําให้เป็นก้อนขึ้นมาได้แต่เมื่กระบาทนทานอยู่ได้น้ําแข็งนั่นก็ได้เมื่อถึกแดดทึกลมเข้ามาน้ําแข็งก็ล่าลายไปตามเดิมเป็นน้ําไปตามเดิม ตอนนั้นความโกธความโลคความหลงนี่ก็คือกันมันบบได้ตั้งอยู่นานมันเป็นวูบเดียวเท่านั้นเมื่อมันเหาบวยเห็นความมันเกลือดมันเป็นขึ้นมันก็เรียกว่ามันตกมาเหาก็ได้หรืออุปมาอีกอย่างหนึงค้ายๆ ค, ค, คือรถยนต์แลนไปมันวิ่งไปตามถนนถ้าบนไหนพวมีได้ลาดอย่างหรือบบได้เทคนปิดไว้ ที่ฟุินที่มันแลนตามก้นรถยนตนะ์เมื่อบุมีรถยนต์ไปที่ฟุินมันบง่ายขึ้นมามันบบปิวขึ้นมาพอดีรถยนต์พื้อปองซีทิฟุินมันแลนตามก้นรถยนต์ไปฉะนั้นอังค์คมคิดคมโก้ดคมโลกคมหนุ ก, ก็เป็นวูบเดียวเท่านั้นเราคอยทําไปตามมันพระพุทธเจ้าเควนสอนให้เหาเห็นให้หับเข้าใจจิตใจของเขาให้รู้เทา่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้ รู้จักอัตอนามันได้อันนี้นี่การเห็นธรรมต้องเห็นมาในรูปนี้มันบุได้ต้องเห็นไปอย่างอื่นหรือเฮาจึงเห็นในอุปมาหลายอย่างอย่างที่ลมถัดตน้นไม้ลมมันไปหอ่อไตแล้วผู้บุได้ใบไม้เนี่ยคล้อยปีวไปตามลมไปอันนี้ก็คือกันมันบุได้อยู่ดนมันเป็นรูปเดียวเท่านั้น แต่เขาก็เลยทำพูดคิดไปตามอารมณ์ยสต่ำพระพุทธเจ้าก็เลยว่ามันเป็นกิเลสคาว่ากิเลสนี่มันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นทุกข์องพยายามทำตัวของตัวให้มีสติให้มีปัญญามองเห็นจิตเห็นใจของเขาให้รู้เท่ารู้ทัน รู้จักกันรู้จกแก้รู้จะอัสนะมันได้เมื่อเราเห็นย้อนสีการคิดคของเฮาจีได้เห็นทันทีว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นทุกข์สิ่งสิ่งนี้มันเป็นกิเลสของจีได้เห็นทันทีเมื่อเราเห็นแนวความคิดสึงนั้นแหละเลยปรุงไปบว่ได้อนนี้ความจริงพระพุทธเจ้าต้องรู้มาจย่งนี้และผมเข้าใจผมกับเข้าใจว่าเป็นอย่างจริงจ แล้วคนเรื่อบุได้เข้าใจใส่เร่บุได้เอาใจใส่บุได้กลับมาเบิ้งตัวเองกลับไปเบิ้งผู้อื่นทำพูดคิดหรือเบื้งรถเบื้องรอเบื้งเกียนเบื้งให้เบื้งนาเบิ้งลูกเบื้งหลานเบิ้งไปพ้นบุได้กลับมาเบิ้งตัวเองจ้าเกลือเมื่อบุได้กลับมาเบิ้งตัวเองกลับเป็นคนลืมตัวเป็นคนหลงตัวไปคอยเบิ้งแต่ผู้อื่น อันนี้อภิริ้าว่าเป็นคนที่มีกิเลสเลือกเป็นอาสวะเป็นวะคำว่าอาสวะที่ได้สมาถึงว่ากิเลสนั่นแหละควมเดียวกันกับกิเลสดังนั้นเฮามายอยูง่งดําไกนมาฝึกผลอบรมเรียกว่าเฮาจะมาเจริญนิพพานว่าท่านคําว่าเจริญนิพพานนั้น วิปัสสนาเป็นเสียงของเราทซื้อวิปัสสนาก็หมายถึงการเห็นแจ้งเห็นแจ้งอันใดว่าเปนวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนานั้นมันเป็นซื้อคํเาเว้าเป็นภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะคนว่าตามภาษาบ้านเขาแล้วกับวิปัสสนานั้นแว่าการเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งเก็ต้องต่างเก่าล่วงภาวะเดิม เห็นแจ้งอันไหนเห็นแจ้งตัวเห่ากําลังทํากําลังพูดกําลังคิดเห็นแจ้งอันนี้นนตรรนนั้งเก้าว่าแต่ก้อนโบสินบอกเข้าใจว่ายเสียยทีล่วงภาวะเดิมมั น, น, นแต่ก้อนนั้นเคยไหว้ผีเคยไหว้ เ, วเทวดาเคยลิ้นการพ น, นันเคยกินเหล้าเคยสูบซิ่นจินกันซา แคลมากดูดยามูนี้น่ะเคยเห็นแต่มูนีนะ้เนี่เมื่อเห็นว่าโอ้สิ่งที่มันอยากกินเล้าอยากแควมากอยากดูดยาอยากเล่นการพ น, นั้นกินกันซาเฮโรอีนอยากไปดูหนังดูเลขเกละคอนั้นมันเป็นขี้เลสเด็ดเราก็ยิได้เห็นทังสี่ โตจิตใจของเขาจริงๆแล้วมันมันอยู่เป็นปกติเด้มันบุได้เป็นยากไปอย่างเด้มันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่ที่โอที่มันเกิดขึ้นมาวูบเดียวเท่านั้นเราไปแล้วเราบุได้เห็นมันอันนี้พระบริจ้าคบนว่ามันพูกกิเลสชอบงอมจิตใจอยู่คำว่าภาษาเห่าก็ต้องว่ากิเลสมันตกหน้าออก เมื่อกิเลสตกน้าแล้วคนก็ต้องไปตามกิเลสเพราะว่าเอาชนะกิเลสโดยให้กิเลสเป็นนายอั น, นเิ่นวายจังสั้นฉะนั้นเราต้องเป็นนายกิเลสเป็นผู้มีอำนาจเหนือกิเลสไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยการเจริญนิพพานด้วยการสห็นแจ้งเมื่อเหตุอย่างนี้เหละยกิเลสอยู่ มันมืนบุกเข้ามามันบุกเข้ามาจริงๆเมื่อเราเห็นกิเลสอยู่อุปมาคือเฮาอุปมาคือคล้ายๆคือเฮาจิตต้องการคนสว่างเฮาบ่เคยใส่ไฟฟ้าแค่คนบ่เคยใส่ไฟฟ้าในไปติดไฟฟ้าทําตอนหนากระตางตอนเย็นกระต่างไปเปิดไฟไปคนก็เคยใส่ไฟฟ้ามันก็เลยบุ้งมาจากวิธีใส่ไฟฟ้า เห็นควมสว่างอยู่กับรอดไฟฟ้ามันก็จะไปจับพิกตีนมูลรอดไฟเนเ่ยนะคองเอาความสว่างหรือต้องการเอาแสงสว่างเกิดขึ้นควมสว่างนั้นบวกเกิดขึ้นในเหนเให้จนตายกับบวกเกิดแปลว่าเหตุหบุถุกจุดบูรู้จักต้นเหตุสมมุตฐานของไฟหรือกำเนิดของไฟเกิด มันไ่ได้ไปเกื้ออยู่กับลอดไฟคุณต้นเหตุสมุทรานกําเนิดของมันนั้นอยู่ตรสรัสวิตไฟฟ้าที่อยู่สี่ิเขาไปจับที่ผับมันไปทําคมสว่างอยู่คุณนี่นะดังนั้นคนที่สลาดแล้วเขาไปไตรไฟฟ้านั้นไปจุดไฟฟ้าเขาที่ว่ไปจับลอดคุณเขาที่มาจับสวิตกดเขามันจะไปทําคมสว่างอยู่คุณอาการปฏิบัติที่ปรินานี้เราคือไก่ ถ้าหาว่าเห่าสลัดเหารู้เหาเห็นเหาเข้าใจตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วข่มโกดข่มโลภข่มหลงนั้นมันบ็ได้มีอยู่ที่เราข่มทุกประเทศนั้นมันก็ได้มีอยู่ที่เราเหาต้องการยจกจัดการกับข่มโกดข่มโลภข่มหลงนี้ไล่มันออกไปเหาบ่งไว้จากวิถีบันนี้เหาก็ไปเจริญกรรมฐานหรือวิปัสสนาไปนั่ง หลับตาลือนอนหลับตาภาวนาอยู่อยากให้มันสงบแต่ความจริงอันนั้นสงบอยู่ความสงบแบบนั้นบริเวณการเห็นแจง้งความสงบแบบนั้นสงบแบบอยู่ในทัพในขณะที่เราอยู่ในทัพนั้นเราจีว่าเราเห็นทัพบ่เห็นอยู่ในทัพฝุ่นอันนั้นมันบรเห็นทัพเมื่อเราจุดไฟขึ้นขวมมือ มันก็หายไปแต่มันอยู่ในขวามือท่านเขาเขาไฟเขาหมดปั๊บความืดเข้ามาแทนทีทันทีมัดนี้เขาออกจากถ้ำมาบทต้องอ่านใต้ไฟกระไดมาอยู่นอกถ้ำดิเห็นในถ้ำเห็นนอกถ้ำเห็นมัดทุกแง่ทุกมุมความสงบแบบนี้มันโบมันสงบแบบอยู่ในธถ้ำ อันนี้มันบริวิบคมสงบอันนี้อันนี้มันเป็นการเห็นแจ้งคำว่าความสงบนั้นจึงมีอยู่สองอย่างความสงบแบบอยู่ในธรรมนั้นสงบแบบหนึ่งสงบแบบบเห็นแบบบุหิษจากธรรมสงบแบบนอกธรรมนี้มันบริวิบคมสงบอนี้แบบแบบนี้เหมือนเป็นการเห็นแจ้งคําว่าเห็นแจ้งนี่มันเป็นแบบสงบอันหนึ่งสงบอันใดสิสงบจากโทสะโมหะโลภะ สงบจากความหลงผิดสงบเพราะการเห็นแจ้ง อ, อันนี้จึงว่าบ่มีความสงบกับว่าใดหรือแม้ว่าเม่มความสงบกับว่าใดสงบแบบนี้บ่มีกิเลสเพราะเห็นกิเลสอยู่เสมอพระพุทธเจ้าเป็นสอนมาแบบนี้แต่เราก็ต้องการอยู่ต้องการความสงบแต่เรารู้รจักวิธีที่จะไปจับ สวิเท่านั้นเมื่อเขารู้จักวิธีจับสวิตไซอราแล้วเ่องเวลามาเขาต้องไปจับสวิ์มันปดปับ๊บมันไปทำกลมสว่างอยู่รอดคุณโหลดอันนี้ก็คือกันเมื่อเขาจเจริญวิปัสนาแบบถูกต้องแล้วว่าจะมีคนพูดขึ้นมาดีกระสางตัวกระตาสติ ปัญญาของเหาเนี่ยมันวิไวที่สุดค้ายท้ายคือแมวกับหนูหนูนั้นมันวิไวขนาดใจกระตัมสงังแม่มันคอยจ้องอยู่ในสนาะมพอดีหนูโดดมาแ ม, ม่ปรคุบจับปับ๊บรถพอดีจับแล้วสิหนูมันสะุดใจคล้ายคล้คือคนใจขาดนี่แหละตายคืนกับวัดได้พอดี แมวจับปั๊บใจมันขาดลดหนูเลือดมันบบวิ้งเพราะมันตกใจหลายเพราะแมวจับมันว่าเคยให้แมวจับจับเถื่อเมื่อแมวจับแล้วเลือดหนูมันบบวิ้งแมวกินหนูจึงบวมีเลือดอันนี้ก็คือกานเมื่อเขาคอยเบื้องยองซีอยู่พอได้มันคิดปั๊บความคิดมันจะถูกหยุดทันทีเพราะเอาเห็นแจ้ง รู้จริงรู้เทา่ารู้ถันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จะเอาสนะมันได้แล้วจิตใจเขาก็เลยบุญได้ถูกปุก่งแต่งบุมีกิเลสนี่พระพุทธเจ้ า, าเป็นสอนสอนมาแบบนี้ฉะนั้นการเห็นแจ้งอย่างนี้เลยมันเป็นบุญมันเป็นกุศลอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเหนือที่พูดอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าเห็นธรรมกับวัได้เห็นธรรมยังได้ัินเห็นธรรมส่วนนอกคือเห็นรูปเห็นนามหรือเห็นกำลังทากำลังพูดกำลังคิดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเห็นกำลังจิตใจนึกคิดขึ้นมานั่นอีกส่วนหนึ่งเพราะจิตใจด้านมันว่าเป็นตนว่าเป็นโตมองว่าเห็นด้วยตาเห็นด้วยสติปัญญา พูดว่าอินทรีย์แหลมผมนะพูนวางกันจัตุอินทรียอินทรีย์แหลมคมนะลมคมู่เทาลู่ทันลู่จักรันลู่จักแก้ลู่จักรอสนะได้อันนี้พูดว่าธรรมะส่วนลึกแต่นั้นธรรมะส่วนนี้แหละคนทุกคนเกิดมาก็มีแล้วมีอยู่ในคนทุกๆคนบรยกเวนพระพุทธเจ้าจึงว่าธรรมะนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้ว ทายทายคือคนเขาเกิดมามันของที่คั่วหรือเกิดมาแล้วมันคั่วหน้าอยู่กระไดหรือของที่คั่วบ่มีผู้ใดซิมมาง่ายหน้าขึ้นมาไดและของที่ปิดบ่มีผู้ใดมาไขไดพระพุทธเจ้าของเขานี่แหละมาเปิดหน้าขึ้นมาแต่มาง่ายออกให้คนมองเห็นได้ทันทีและมันมีเกลียวรัดอยู่ ขึ้นมาหมาย อ, ออกดังนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศไปทำที่ใดนั้นเมื่อผู้ใดได้ตั้งใจฝังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้กระแสพลันผ่านคนว่าอย่างนั้นเพราะยังอุปมาไวหลายอย่างดอกไม้ทุกประเภทที่เป็นดอกสีดำสีแดงสีขาว หรือสี่ซิ้วสี่มวยยันก็ต่างเปรียบไปคือดอกบัวหอมแล้วที่จิบานได้ตอเมื่อแสงแดดหรือแสงตะเวนแสงผาดิติดซองออกมาเมื่อแสงแดดแสงตะเวนซองออกมาแล้วดอกไม้ น, นั้นกระบาลได้อันนี้ก็คือกันวิธีมาเจริญนิพพานานี่ก็คือกันถ้าเอาจุดลงไป จุดเดียวเท่านั้นเราจะมาทำจุดเดียวเท่านั้นพร้อมแล้วที่จะทำได้ทุกคนแต่เมื่อเฮาบูได้สี่จุดสำคัญมันมาเฮากระงมกัญยนันทร์เลยบูรู้จักควมจริงทุกทุกคนต้องการควมบ่มีทุกแต่ว่าเฮาบูรู้จักวิธีดับทุกเท่านั้นและวันนี้เฮาระอยากได้ไปดีเฮาบูรู้จักผมสัว เขาไปเข้าใจว่าข่มตัวนั่นเป็นของดีซะเมื่อเขาบอเข้าใจว่าของตัวแล้วคลายคายขึ้นหอย่างไปตามถนนหนทางหรือตามไปบ้านของเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาถ้าหากเขาบอได้เบิง้งเขาเบิ้งตีนขาย่างไปเขาไปเยียบต่อของที่ไก่ที่ปิดที่หมามันกระมิ่น เมื่อมันมิดแเขาก็บุต้องการของมิดอย่างนั้นมันก็ติดตีนเข้าไปเขาก็ไปล้างเมื่อไปล้างออกบางทีมันคิดมันก็ยังติดอยู่มันก็เมื่อมันติดแล้วมันแทรกซึมเข้าไปภายในเมื่อหนังของเขาอันนี้ก็คือการคนเขาบุต้องการของส่วแทรกเขาบุได้รู้จักจว่าของส่วนยุ่ยใส่ข้อมส่วนั้นคือควอมหลงผิด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 ได้เคยทำบุญเคยให้ทานเคยรักษาตว์ศิษ์มาแล้วอันนั้นมันโบแมนมันโบแมนอันนี้อันนี้มั น, นโบแมนอันนั้นอันนั้นมันเป็นเพียงสิ่งธรรมเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นการปฏิบัติธรร ม, มคำว่าปฏิบัติธรรมกับสิ่งธรรมนั้มันต่างกันอันนั้นก็เป็นบุญยูเป็นกุศลอยูแต่มันหักจัดการกิเลสอันนี้โบไดอันนั้นเพื่อจะมาเป็นเพียงสังคม เท่านั้นสื่อการทําบุญการให้ทานการรักษาสิทนั้นโบกคือกันบางบ้านเฮ็ดอย่างหนึง่งบางอําเภอบางจังหวัดเฮ็ดไปอย่างหนึง่งโบกคือกันและจะอีกในระยะมู่บ้านเดียวกันนี้ก็ต่างๆเฮ็ดโบกคือกันอันนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นอยากเฮ็ดขนาดจะเฮ็ดไปเฮ็ดไปตามความคิดเฮ็ดไปตามต้องการ ค้ายๆคือเขาอยู่ในถ้ำนี่แหละเขายักย่างไปใส่กระย่างไปเขาบ่ได้เห็นถ้ำเขาไม่เห็นเห็นด้วยควมมืด อ, อาใส่ไฟใส่เสื้อขาวเท่านั้นในขณะที่เขาทําบุญเนี่ยทําแล้วก็ดีใจยูน้อยเดียวเท่านั้นหรืออุปมาเหมือนกับน้ําแข็งที่ทําให้เป็นก้อนมืนกับเป็นก้อนอยู่น้อยเดียวเท่านั้นเขาทีมาปั้นน้าให้เป็นก้อนนั้นมันเป็นไปได้ยาก จะมาสาวลมให้มันเป็นก้อนก็เป็นไปได้ยากจับโบทูกจับลมโบทูกจับน้าเพียงแตว่วัตถกหักโบยูนานได้ดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านะั้นจึงเป็นสิ่งที่ลึกลับละเอียดที่สุดลึกลับละเอียดที่สุดผู้ที่มีทุลีในตาหรือว่ามีความตั้งใจสนใจยากนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ทุก นั้นกับสังได้ถ้าหากว่าเขาบต้องการบุมีความสนใจอยากนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ทุกนั้นสังธรรมะคําสอนของพระเจ้านั้นจะเข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสังได้ยากเพราะมันมองบุเห็นตนเห็นตัวคนเขาเรียว่าทําได้แต่เฉพาะที่มีตนมีตัวที่เห็นผู้ ที่เห็นด้วยตาจับทุกด้วยมือเท่านั้นส่วนลึกจริงๆคือจิตใจตัวชีวิตของเหาเนี่ยเขาโบาเคยได้เบิง่งโบเคยได้เห็นเมื่อมาเห็นมาเข้าใจแล้วมันเป็นสิ่งสิ่งที่วิเศษหรือว่าอัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์นี่กรหมายถึงสิ่งที่โบเคยมีโบเคยเป็นโบเคยเห็นโบเคยหูเมันเป็นอย่างที่ เขาที่ได้เอาเรื่งองคาสอนของพระเจ้าที่เขานำมาปฏิบัตินี่แหละไปเผยแพร่ให้คนที่ยัางาผ่านรู้นะั้ได้รู้คนที่บ่เคยเห็นมันได้เห็นคนที่บ่เข้าใจนะันจะได้เข้าใจและคนผู้ที่อย่างบดสนใจกับขุมมองมีนั้น